เห็นคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความเพีออยรขันแข็งอผ่านไปดูเห็นความตั้งใจดีมีความมุ่งมัะอุตสาหะนั่นดีแล้วยิ่งถ้าทําได้ต่อเนื่องยิ่งดีทําความเพียรความเลยลึกรู้เนี่ยได้ไม่ได้เราจะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่มีแพ้ตลอดหอกชีวิตเนี่ยถ้าเราเลยลึกรู้อยู่เลยลึกรู้อยู่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมไม่ได้มี สิ่งทั้งหลายเป็นความรู้สึกเรารู้สึกอยากได้รู้สึกอยากเป็นอยากมีอะไรประมาณนั้นรู้สึกว่าไม่อยากทุกข์แต่เราก็ไม่คิดว่านี่คือความรู้สึกเฉยๆไม่เพียรพยายามที่จะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองกับไหลไปกับความรู้สึกมันรู้สึกยังไงกัไหลไปตามนั้นก็คือเขาเรียกว่าคนเสวยเวทนายิ่งเวทเสวยเวทนามากก็ทุกข์มาก เวทนาดีเวทนาไม่ดีเวทนาสุขเวทนาทุกเวลาทนานเมาเบื่ อ, อคือไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยการที่ความคิดวิ่งตามมาความอยากวิ่งตามมาความเจ็บความปวดความเมื่อยความแก่ชราภาพที่มันตามเข้ามาเนี่ยเราจะเอาตัวเองอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้เรื่องเลยนะ คือลู้ตาดูศักยภาพของคนที่จะออกจากทุกข์เนี่ยมันจะต้องไม่เป็นเงาๆซึมๆทับๆมันต้องมีมาตรฐานของมันน่่ะีในตัวถ้าเราทําไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นก็ป่วยการที่จะว่าจะทําให้มันดับสนิทได้ยังไงเนี่ยอย่างเราดูคนนี้นี่ความงงของคนนี้เนี่ยเขาดับได้หรือยังมาครัง้งไหนครั้งไหนเขาก็ดับถ้ามันไม่รบกวนขอแล้วเนะี่ยมันจะเริ่มสนิทไปละ เขาก็เพียรพยายามให้มันมามันรบกวนอืคือมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องฝืนวนะ่อก่อนคือฝืนฝืนพยายามฝืนฝืนมาเข้ามาเข้าเหมือนเราอยู่ในโคลนในตมเพราะฝืนขึ้นมาข้างบนได้อันจะลื่นไหลลงไปมั่งอแต่สุดท้ายก็คือมันไม่น่าลงไปอีกนะเพราลงไปอยู่ในโคลนตมแล้วรู้สึกมันลําบากไอ้นู่นนี่มากมายหลากหลายนะ อันอื่นที่จะทา ม, มาก็เยอะแยะไม่อยากลงไปมันจะมีความรู้สึกว่าจิตของเราเองที่มันติดอยู่ในนี้วรณเนี่ยทยํายังไงมันถึจะถอนตัวตนออกมาจากอ น, นั้นต์ได้เราว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไม่น่าให้มันเป็นเป็นผู้เป็นเนี่ยไม่น่าให้เอาเอาความรู้สึกแบบนั้นเอาความคิดแบบนี้วันหนึ่งก็คิดแบบนี้วันหนึ่งก็คิดแบบนั้น สิ่งที่อยู่เบ้างหลังคือความโลภความโกรธความหลงคือเอาแล้วจะเป็นโลภโกรธหลงถ้าไม่เอาก็เป็นความอยากมันเป็นความอยากเราไหลเข้าไปอยู่ในความอยากของเราเองมันก็จะเพลินไปกับความอยากอันนี้ทีนี้เจอความอยากนีก่ก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาละ่ะอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าขันท่ามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นตัวตนเป็นตัวทุกข์นั่นแหละ ถ้ามันเป็นตัวชัดเจนมีอุปทานชัดมันเป็นเยื่อใหญ่มันเป็นพืชเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่จะกอ่อกําเนิดเกิดอีกระเตรียมตัวมันดับเดี๋ยวมันก็เกิดอีกกลายเป็นกิเลสนะถ้ามันดับแล้วมันมีความพอใจติดค้างอย่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิเลสกิเลส ก, ก็จะกอ่อให้เกิดการกระทําเป็นกรรมเป็นกรรมสัหน่อยเดี๋ยวก็มีวิบากวิบากก็คือผลมันน่ะ มีต้นไม้เนี่ยมีเมล็ดพืชปลูกเป็นลําต้นเขาเรียกว่ากรรมมีผลมันหล่นปุ๊บลงมานั่นแหละเขาเรียกว่าผลกรรมมา น, นั้นผลกรรมคือผลการกระทําผลของมันถ้ามันหล่นมาเดี๋ยวมันก็งอกอีกสัตว์โรกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามผลที่มันหล่นลงมามันจะงอกอีกถ้ามีเหตุปัจจัยนะถ้ามันไม่มีมันก็ไม่งอก ทีนี้ปัญหามันก็คือเอาถ้ามันยังมียางมันอยู่ถ้ามันไม่แห้งบางทีมันแห้งๆแบบเมล็ดพืชมันแห้งนะเกี่ยวกับที่แห้งได้แต่พอมันเปียกชุ่มไปถุงที่ชุ่มมันจะงอกทันทีนะนะมันขึ้นมาทันทีเรนสังเกตดูดิเมล็ดพืชเดียวไปปลูกตอนชุ่มๆอยู่มันก็ได้เมล็ดถั่วอย่างเงี้ยต้องปล่อยมันแห้งก่อนนะพอแห้งมันจะกลายเป็นอ่า เป็นพืชตอนเอาเม็ดชุ่มๆไปเพาะนี่มันไม่ค่อยขึ้นอนะ่ะต้องให้มันแห้งก่อนให้งแลไปปลูกใหม่เหมือนนาชาวบ้านเขาเขาปลูกข้าวอย่างเงี้ยมีน้ํามีตมมีพอสิ้นสุดฤดูกเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาต้องปล่อยนะ้ำบอกปล่อยมันแห้งก่อนะข่าววัชพืชอันอื่นหรือทําให้ดินมันแห้งผลิตสารเคมีสารชีวภาพอะไรก็ว่าไปนะ ที่จะก่อเกิดเป็นปุ๋ยเป็นอะไรตัวใหม่แล้วก็เก็บไปอย่างนั้นแล้วค่อยเอาน้ําเข้าไปใหม่เขาเรียกเรียกว่าไถดะไถหูดไถอะไรพวกนั้นตากดินไว้ก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่เนี่ยจิตเราก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาเวลามันจะไหลไปตามกระแสเนี่ยมันจะไหลไปเลยไม่ได้อะมันต้องหยุดซะก่อนหยุดแล้วตากตัวเองพักสักครู่มันจะคิดใหม่ เรื่องไหไก็ตามน่ยมันทําตามศักยภาพมันไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะหยุดหยุดหาเหตุหาผลนโนโรนันีเข้ามไปสร้างอัตตาสร้างกําลังผลักกันในความรู้สึกเนี่ยเวลาเราคุยกับใครพูดใครไม่ชนะเขาเริ่มถูกหาเหตุหาผลก่อนหลายเรื่องออาคนนั้นว่ายอย่างนั้นอ่ะวันนี้ได้ยินคนนี้ว่ายอย่างนี้คนนั้นว่าคือพยายามหาเหตุหาผลมา เพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวเป็นตัวสนับสนุนความรู้สึกของเราเองว่าเราคนถูกแล้วก็พยายามที่จะมองว่าคนคู่สนทนานะั่นคือคนผิดค น, นหลายๆคนมองท่านผิดนะคนเป็นคนผิดนะคนนั่นนี่นะอะไรประมาณนี้เขาพยายามให้น้ำหนักมันไปทางน้นให้มันถ่วงลงทางน้นใ้ความรู้สึกคือหมายความว่าสู้ประเด็นนี้ความรู้สึกนี้ไม่ได้ก็จะหาประเด็นอื่นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาไปแก้ปัญหาประเด็นน้นก่อน แล้วค่อยบอกว่าเรื่องนี้อะไรประมาณนะั้นทางโลกเขาทำก็คือถ้าคนมีปัญหายอย่างนักการเมืองเนี่ยเวลาต่อสู้อะไรตรงตรงมันไม่ได้ก็จะเริ่มสํารวจทรัพย์สินเขามีกฎหมายไม่เคยดาเนินชีวิตมีนั้นไม่บัตรประชาชนเป็นยังไงเนี่ยเคยเกณฑ์ทหารมาไม่หนีไม่อะไรประมาณนี้เขาจะหลประเด็นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเขาไปยุ่งอยู่กับตัว ต, วตนนั้นน่นนะ ก่อนจะมาถึงอัตตาตัวเราโยนอันนี้ไปให้เขาต่อสู้กับความรู้สึกแบบนั้นก่อนเหมือนกันในะจิตเราก็เหมือนกันมันเป็นตัวเป็นตนที่มันจะป้องกันตัวมันเองมันไม่อยากให้คนเข้าถึงตัวตนในขณะเดียวกันคนที่จะต่อสู้กับเราเนี่ก็ให้สู้กับประเด็นอืนอ่นๆซะให้ไปอยู่กับความทุกข์ข้างนอกตัวคนก็จะมีวิธีการแก้ตัวแบบพลาวัน ล, ละทีเนี่ยอืม มันเป็นธรรมชาตินะของมนุษย์ถ้าเราสงบไม่ได้เราก็วิ่งตามเออเขาขว้างค้อนไปโน้นก็วิ่งตามไปโน้นขว้างค้อนไปทนี้ก็ไปทนี้มองย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยวันวนหนึ่งเนี่ยเราวิ่งตามตาวิ่งไปทำหูนะวันหนึ่ ง, งนะวิ่งไปทำจมูกทำลิ้นทำกายทำความรู้สึกนึกคิดนะ เหมือนมันขว้างออกไปทางโน้อนอ่ะว้างไปตามตาคือเราไม่ได้สนใจไม่มีเวลาที่จะมองชีวิตตัวเองเลยอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมันออกไปนอกตัวมดุดจำเป็นต้องพักผ่อนจำเป็นต้องหลับนอนเนี่ยจำเป็นต้องคิดนะจำเป็นต้องทำมันหลุดออกไปอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นหมดเลยมันเหมือนจำเป็นนะตั้นหามันโยนให้ เกิดทางตาแล้วก็วิ่งไปกระทบตะคุบทางตาตะคุบไปกือคุบมาปรากฏว่าไม่มีก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยทาเสร็จแล้วจบแล้ว ม, มีอะไรอา้าวทางหูทีนี่เห็นไหมเราก็มาแก้ทางหูมีคนดูถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยามกระทบก็ททะมาแก้ทางหูนะอีสักหน่อยอา้าวแก้เรื่องกิ่นอะไรตีนเรื่องอาหารเรื่องรสชาติเรื่องอะไรทางลิ้นอืสัมภาก็มาแก้ทางตไต กายคือรูปตัวทั้งหมดนี่แหละในความยึดมั่นถึงมันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจในรวมลงตาหูจมูกลิ้นรวมลงเป็นร่างกายภาพรวมเลยไอความรู้สึกที่เป็นตัวเราเนี่ยมันถ้าเรามองแบบแยกส่วนก็จะเป็นตาหูจมูกลิ้นที่มันกระทบกับรูปลดขีนเสียงสัมผัสอารมณ์นะ แต่เป็นภาพรวมมาก็คือเอาไปเรื่องกายตาก็เป็นกายหูจะเป็นกายจมูกลิ้นกายมาเป็นกายเราวิ่งตามกายนดิเลยไม่ได้มาใส่ใจเลยกายกับกายว่าเป็นกายก็แย ก, กเป็นกายเวทนานะสุขกับเวทนาทุกขกับเวทนาทุกข์กับมรรสเวทนาเวทนาที่ปรากฏคือจะเป็นหนูเรื่องทั้งนอกเราก็ไม่ได้มองเข้ามาข้างใน ว่ามันอะไรคือตัวที่มันโยนหินออกไปแล้วเราวิ่งตามเนาะทางเหนือเร็วจุหมาขึ้นดอยเหนื่อย น, นอนะโยนก้อนหินลงไปก็วิ่งขึ้นดอยนี่วิ่งขึ้นมากระทุบเลยมันก็เหนื่อยมาเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันโยนไปทังเอาลาบอาโยนตะคุบยศกระคุบสารเสริญกระคุดลุงจดียีระอยู่กับ ผัวกับเมียกับลูกกับเต้ากับทรัพย์สินเสร็งขานคือเป็นเป็นของนอกตัวโยวนออกไปไกลมันไกลไปเราก็มองไปไกลข้างนอกนะไปหาข้างนอกเห็นว่ามันอยู่ข้างนอกเห็นว่ามันมีจากข้างนอกแล้วก็เคยใส่ใจจากข้างนอกวิ่งไปตามข้างนอก พอข้างนอกก็แก้ข้างนอกสารพันก็ไม่จบสักทีนะประเด็นนั่นก็ไม่จบประเด็นนี้ก็ไม่จบเราก็เลยคิดว่าปัญหาทั้งหลายเกิดจากข้างนอกกลายเป็นความหลงแล้วที่นี่ความหลงมันเต็มตัวแล้วความหลงเต็มตัวคือหลงสกายะนี่แหละอืมเมื่อก่อนยังไม่หลงเท่าไหร่นะแต่พอออกไปเมื่อเข้ามาเข็เขเนเฮ้ยมันจําเป็นนะมีเหตุว่าฉันเป็นพระเนะี่ยผมเป็นโยม ผมต้องมีหน้าที่นะผมตอนนั้นตอนนี้มันวันออกไปเยอะแล้วออกไปมากเกินนะเราสังเกตดูหมอเขาอย่างเงี้ยเขาจะเห็นเรื่องของกายสาคัญกว่าแล้วในหมอเดียวกันก็หมอแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยก็ไม่เห็นรองรอยกันนะเขาเขาอ้างของเขาดีวิธีนี้ดีปฏิเสธวิธีนั้นวิธีนั้นปฏิเสธวิธีนี้ ได้ยินหมอเขาว่าถ้าสองหมอนี่รวมกันได้เฮ้ยเจริญมนุษย์นานตายนะถ้ามันสมาธิสนธิอันนี้เข้ากันได้เนี่ยวิชาความรู้อันนี้มันใช้ได้เลยแต่เนื่องจากว่ามันไม่ลงรอยกันน่ะใครก็ว่าดียิบเอาของตัวเองคือมันกลายเป็นตัวตนเป็นกายเป็นรูปของความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวไปเลย อย่างสังคมเนี่ยหมู่บ้านนั้นดีหมู่บ้านนี้ไม่ดีผู้หญิงดีกว่าผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายดีกว่าผู้หญิงทันทีนะพระดีกว่านเนนพระป่าดีกว่าพระบ้านเนี่ยเห็นไหมมันอัตราตัวตนมันไปทันทีเราไม่รู้มันก็ไหลไปตามไอ้ตัวสักกายตัวรวบลงทางหูวจมูกลิ้นรวมมาเป็นกาย ใจก็คือใจดนั้นคนเราเนี่มีสองขันนะรูปขันกับนานบมาขันรูปปขันกับนานมาขันรูปคือตาหูจมูกลิ้นอนะตายเป็นรูปนามก็คือจิตใจมีสองงินเนะน่ะทีนี้ตาเนี่ยมันชอบกระทบกับรูปโน่นนะ่ะหูก็ทบกับเสียงเราเลยไปปรับไปตัวที่กระทบอยู่ข้างนอกโน่นอนะ มู่ส่วมากจะไปเป็นอเงินให้มันถูกกันกับตาที่กระทบแล้วมันสรู้ ส, สบายใจรู้สึกกินดีรู้สึกพอใจไปปรับอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ปรับแต่งเอาแซนล้วรู้สึกสบายใจถ้าเราได้ทนะํานะแต่ไม่เคยปรับตาไม่เคยปรับแต่งใจออืยังมาเนี่ยมาลําปางเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดมากเขาจะใส่แว่นตาข้างให้มันหนึงเห็นเฉพาะข้างหน้านี่ ไม่ให้มันมองไปทางข้างไม่ให้มันตื่นตูมไม่ให้มันตื่นรถตื่นลามองไปตรงตรงปริโมขังสติงอุปตเปตวามีสติมองอยู่เฉพาะหน้าดับเฉพาะหน้าเห็นเฉพาะหน้ารู้สึกเฉพาะหน้านเวลามันไม่กินอาหารมันเห็ น, นหิวโนนนี่เอาฟางแห้งมาให้มันเขาก็เอาเวนา่นตาเขียวสวมจุบก็ไปในตา มองไปโอ้อยาาเขียวจังน้อเนี่ยกินยาาเขียวแต่จริงย่าอะไรย่าแห้งคือมันไม่ปรุงแต่งไงมันไม่ปรุงแต่งกินยังไงก็กิกนอย่างนั้นกินเอาหิวเป็นว่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ด้วยธรรมชาติเขาเลยแต่มนุษย์เราเนี่บอกว่าโอ้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่หรอก นะมีไม่มนุษย์คนไหนถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยมันไม่สมันจะกินเนี่ยมันไม่มีนะกินแบบปล่อยวางรสชาติไม่ค่อยมีนะเพรมหลงรูปนี่ไงอยากามาพอนอยากให้มีรูปอร่อยเวลากฏขึ้นกับจิตเรากับลิ้นเราต้องการรูปมาก่อนแม่กินสักแต่ว่าไม่มีรูปเลยเฮ้ยไม่มีรูปมีรสอะไรเลยเนาะเนี่ยนะรสนี่ก็คือรูปนั่นแหลนะรสชาติเนี่ยคือเกิดรูปขึ้นมา มีไม่เราไม่ต้องการไม่มีเราต้องการรูปรถนี่เป็นรูปเสียงถ้าฟังเฉยเฉยก็จบไปแต่ถ้าฟังเสียงเพราะก็เป็นรูปขึ้นมาแล่ะรูปเพราะอุปทานทัรูปเสียงเสียงเป็นรูปนะมันรูปมันเป็นรูปอาศัยเขาเรียกว่าอุปาทานยรูปมันอาศัยอยู่ในรูปเสียงเนี่ยคือความชอบใจ นันจิตแล้วก็ไปติดเนะี่ยกลิ่นก็เหมือนกันนะถ้าผ่านมาเยอะก็ธรรมดาแต่ถ้ามีเหม็นมีหอมรู้สึกพอใจไม่พอใจกับนั่นเหม็นไหมเอาแล้วไงนะมีรูปขึ้นมาละรูปพอใจรูปไม่พอใจแต่ถ้าเห็นเฉยเฉยรูปทั้งหลายภายในก็ตามภายนอกก็ตามอัจฉริังวะปหิตาวาโอราลิกังวาสุกุมังวะหินังวาปณีตังวะยันตุเรสัสนติกีวะนะอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ถาม รูปก็คือทุกหนังนั่นแหละทุกรูปคือธรรมชาติเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงรูปเนี่ยเกิดดับเสมอรูปนี้มันเกิดดับนะแต่ที่มันไม่เกิดดับเพราะอะไรเพราะเราชอบมันไงชอบรูปเราก็ดึงรูปมาให้ไม่อยู่กับตัวเราเราก็ยึดมันหรือมันเอารูปเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจัง มันหลงประเด็นไปแล้วเขาคว้างคลอนไปไหนแล้ววิ่งไปทํานั้นตามันกระทบอะไรรู้สึกว่าจะมีพอใจเนาะชอบนะนั่นสวยงามเนาะรถคันนี้ยี่ห้ออะไรรู้สึกว่าโอ้ต่างคนก็ต่างมองมาที่นี่นะเราก็เลยวิ่งตะคบเอานั่นมานะพราะคิดว่า น, นั่นคือของจริงอันนั้นคือสิ่งที่เพิ่งปรารถนาอันนั้นคือได้ในสายตาของทุกคนที่เขาอยากได้อันนี้เพิ่นเราได้มาแต่ไปรู้จริงรู้เท็จนะ แต่เราก็ชอบเพราะว่าอะไรแต่และคนในโลกนี้จะมีดวงตาของกิเลสตัณหาเหมือนกันหมดนะมันไม่มีคนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมชาติของใจตัวหรือของตัวกายว่ามันเป็นแบบ น, นี้ตัวกายเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นรูปเฉยๆแต่จิตในความรู้สึกนี้มันเ็ยยึดติดมันนะ หมายมันยึดเอาว่าเป็นรูปของเรารูปของกูเนี่ยรูปในความเป็นตัวตนของกูยึดมันถี่ว่าจิตมันก็ติดแหละเพลินอยู่ในรูปวันนี้ออกไม่ได้มันไม่คลายไอความหลงผิดเนี่ยมันไม่คลายคืนมันไม่คลายคืนปฏิบัติทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการคลายคืน มันต้องเห็นความจริงนะมันถึงจะคลายให้ถ้ามันไม่เห็นความจริงมันก็ไม่คลายนะมันก็ยึดมั่นหรือมันอยู่ในว่ามันเป็นของจริงเห็นรูปเป็นของจริงเห็นเวทนานี้เป็นของจริงเห็นสัญญาเห็นสังขารเป็นของจริงไปหมดเนะรูปธรรมเป็นของจริงไม่ใช่แค่รูปประธรรมน่ะแตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่รูปประธรรมธรรมดารูปประธรรมคือมันทํางานตาทํางานหูทํางาน จมูกริมกายมันทํางาน่ะรูปทำนามมาทำนามทำคือความรู้สึกความเรื่องของคิดวิญญาณทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นมันทํางานเวลามันทํางานในนามมันทําก็มีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดมีโงดงหิดหรือดัดมีความคิดความอยากในนามมันทําำละทเนี้ําว่ามันมีพลังในการต่อต้านมันไหย แต่ไม่มีพลังมันก็ไหลไปตามเราเห็นแล้วว่าไหลไปเยอะๆมันไปติดกับความคิดนะมันออกไม่ได้มันไหลไปในความคิดก็อยู่ความนี่อยากออกจากความคิดด้อ่าทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายก็แค่ความคิดทั้งหมดนะสุดท้ายมันคือแค่ความคิดแต่เราก็ออกจากความคิดอันนี้ไม่ได้มันไม่ได้คิดว่าเป็นแค่ความคิดหรือเป็นความจําเป็น แทนที่หน้าที่เล็งด่วนเราก็คือเอากําจัดความคิดนี่ล่ะความคิดมันเยอะอย่าเลี้ยงมันนานมากเลยก็ขยันต่อสู้กันพยายามตัดอยู่เรื่อยเลยรู้เรื่อยๆเห็นเรื่อยๆทุกมันเกิดจะมาลายคลายจางมันเกิดจะจางหายไปมันไม่เกิดขึ้นนะทุกไม่เกิดขึ้นหรือ ถ้าถ้าไม่เหมืนก็ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่สักน้อยหนึ่งแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทะอุปาทะทิติตั้งอยู่อุปาทะแืล่าเกิดพุทธออกมาอุปาทะเนี่ยทิติก็ตั้งอยู่พังค่ะก็คือมันดับไปเลยอ่ะความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปเลยเนาะ นะมันเหมือนมันพังไปพังคะนะพังองค่วงความอยากพอมีความอยากพวกเราถอนความอยากมาเอามกระดับหายไปมันไม่ล้มตึงตังเราไปเหมือนบ้านเรือนเขาหรือนะไอเนี่ยมันเป็นไงเขาต้อบอกว่าเกิดดับไงไม่ใช่เกิดพังนะเกิดดับให้เห็นมันเกิดเห็นมันดับเร็วเข้า คือคนใดก็ถามที่ศึกษาภาวะของรูปชัดๆรวมทั้งเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมณวันี้เป็นรูปโมดปรากฏเกิดขึ้นตรงจิตเราเนี่ยเห็นมนกระทบปุ๊บเอาถ้าสติมันตั้งมั่นก็เหมือนกับเราตีกลองนั่นแหละตึงตึตึงกระทบตึ้งแล้วก็หายไปเสียงกลองหายไปนะสติตั้งมั่นเป็นปรมิดีจะมีความรู้สุกแวบนัน้นกระทบ ปึงเอา้าตกลงใกล้ๆดับไปเลยแต่มีเสียงเจ็ดเราที่ตั้งมั่นก็เหมือนกันกระทบปึ้งรู้สึกมันสั่นข้างในนะเนะวลากระทบปุ๊บเอา้าความโลภเข้ามาในสั่นนะความโกรธโอ้สั่แล้วเราก็กลัวด้วยกลัวภาวะที่มันสั่นเนี่ยมันรุนแรงเกินไปเนมะื่อก่อนโกรธเราก็เต้นไปตามจังหวะที่โกรธ เดนี้เราไม่เต้นตามละพยายามที่ให้มัน ด, ดีดกับอันนั้นก็แข็งอันนี้ก็แข็งกระทบกันสะท้อนออกมาหลงผูเทียนที่พูดสติก็แข็งสมาธิก็แข็งปัญญาก็แข็งความโลภกวนลงก็แข็งกระทบกันออกไปคนละทางเนี่ยทีนี้สติสมัญญาเราแข็งดีไหมเป็นสมาธิไหมแต่ก่อนอะไรกระทบปุ๊บเรารับเอาแล้วก็เพลินแล้วรู้สัวเล่นแล้วสนุก เล่นมันเพลินด้วยกับมันนะ่ะรู้สึกเพลินนะทํานี้แล้วเพลินทํานี้แล้วเพลินเพลินยิ่งเล่นยิ่งเพลินยิ่งเล่นยิ่งสนุกสนานเข้าไปอยู่ในอารมณ์เราไม่ได้เห็นว่ายนมาปุ๊บเราไม่หลับกระทบปุ๊บสะท้อนกลับไปเลยเนี่ยมันไม่สะท้อนน่ะตัวเราเนี่มันอ่อนใจแล้วมันอ่อนกระทบปุ๊บหลับเอาเล่นแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยหนักเว้ หนักหนักหนักนักขึ้นเรื่อยเรื่อยตัวนี้เกิดหนักตัวนั้นก็หนักเพราะเราไม่วางไงอย่างคนมาอยู่ด้วยเนี่ยรอยพ่อพันแม่คนนี้นี่ใสแบบนี้คนนี้เป็นสันดานเป็นแบบนี้แบบนี้นะแก้ไขถ้าเราเห็นมันเป็นของกูเป็นของกูเนี่ยเราไม่ยอมปล่อยยอมวางแล้วจะหนักขึ้ น, นเรื่อยเรยแล้วก็หนักอกหนักใจโอ้ยเนี่ยอย่างนี้กูกูเจอเนาะแหมมาแล้วที มันจะหนักมมนได้เป็นสักแ่ว่ากระทบปุ๊บเละวางไปแล้วเราไม่ได้ยึดเอาเข้ามาใส่ใช้เอามาแบกเราไม่แบกละถ้าแบกก็ทุกข์ละเออไม่แบกกระทบปุ๊บเก็วางโอ้พระพุทธเจ้าพาลาหาวีปันจกกันดาหันธ์งาเป็นของหนักมันหนักจริงๆแบบนี้เนอมันหนักเ้ยนถามว่าจะมีกี่ใครสักคนที่เห็นเขามันหนักเนี่ย ส่วนน้องมันไม่เห็นมันไม่รู้เห็นว่ามันหนักถ้าเรามีสติะระลึกรู้อยู่กับกายที่มันคงผัสษะที่กระทบปุ๊บเอามากระดับกระเด็นกระดอนไปพอาเรีว่าเรามีสมาธิอันนี้มีสมาธิกระทบปุ๊บเอารับในทุกนะไม่ต้องพูดถึงแล้ะฉันไม่สน้วเรื่องทุกต่อไปเนี่ยนะ อันทุกข์นี่เข้าใจแจ่มแจ้งล้วรู้รูปนเนาะพอจะรู้จักทุกข์ชัดและว<ม>แต่กระทบปุ๊บต่อมาเหลือตัวที่สองทีนี้อันนี้จังนะกระทบปุ๊บโอ้เป็นอ น, นี่ิจังเนา ะ, ะทบปุ๊บไม่ทุกข์เลยนะแต่เห็นความไม่เที่ยงมันปรากฏเกิดขึ้นอนะ่ะมันไม่ทุกข์นะแต่ความไม่เที่ยงปรากฏเกิดขึ้นกระทบปุ๊บเอากลับไป ทบปุ๊บดับไปหรือจะว่าทุกข์เป็สภาพที่ทนได้ยากเราสามารถเห็นทุกข์ที่กระทบกับเราเนี่ยมนันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนทั้งว่ากระทบนิดเดียวแล้วดับเลยมันชัดไงเพราะแต่เพราะเราไม่มีตัวตนให้มันมาเกิดไม่มีนะพอไม่มีตัวตนมาเกิดมันก็หล่นอยู่ข้างๆนั่นเห็นแต่ตัวทุกข์เกิดเห็นแต่ตัวทุกข์ดับ เห็นแต่ความเป็นอนิจจ์มันเป็นอนิจจ์ทุกเนี่ไม่ทุกแล้วไม่ทุกแล้วอา้วาวหวังได้แล้วเห็นแต่ความแปลเปลี่ยนกระทบผัสสะแปลเปลี่ยนรู้จักปรมัตถ์หรู้จักแบบนั้นนะทีนี้หากว่ามีความแหลมคมมากพอก็จะเห็นความเป็นอนัตตานะที่เนี่ยกระทบปุ๊บเอาอานิจจงก็เป็นคนได้ทํางานละโน่นนนะ่ะ ความชัดของสติเราสามารถมองข้ามความเป็นทุกขังความเป็นอดิจังมาสู่ภาวะของความเป็นอนัตตาได้เลยเลากระทบปุ๊บดับปุ๊บกระทบปุ๊บก็ดับกระทบก็ดับเนี่ยอืแต่ก่อนเราต้องพิจารณานะโอ้ยทุกขังเนี่ยต้องพิจารณามันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นะมึงจะเอากับทุกข์เหรอเนี่ยทุกขัง อนนีจังเอ้อสักพักเดี๋ยวมันก็แปรเปลี่ยนหลอกกระทบเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็ถือก็ดับรอกเลงไม่เกิดไม่เราสร้างจังหวะเยอะๆประคองสติสัมบัรณ์เยอะๆเอาก็เริ่มเห็นมันเกิดมันดับบ้างแต่ที่นี่ทําให้มันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแบบอัตโนมัติของมัน่ะกระทบปุ๊บอาดับเองกระทบปุ๊บดับเองเดินไปเดินมาเห็นเองเห็นเองโดยที่ไม่ต้องเข้าลู่เข้าทางมันชัดเจนเนาะ ไม่มีอะไรนะึกกระทบปุ๊บใจนี่ก็ตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยวัตถุข้างนอกทวกอย่างรวมลงรูปนามทั้งหลายทั้งความคิดรูปภายนอกภายในก็คือความเป็นของรูปเป็นวัตถุท่านเองกระทบใจใจมันตั้งมั่นแล้วทีนี้ฝึกมาในใจมันมีพลังละก็จะเห็นแต่อาการที่มันสันน่นน้อยนึงออกไปเอง ตอมาปุ๊บตุงปุ๊บกรดีดคืนตุ้งปุ๊บดีดเทินเรก็เห็นเนาะขว้างอะไรไปมันกระทบปุ๊บมันก็ติดตั๊บแต่ว่ามันแอ่นไปตามมันกรดีดคืนเนี่ยคืออ น, นิจจังละ่ะคืออ น, นิจจังแต่ถ้ามันขวางอะไรมาติดตับ๊บเหมือนขวางลูกศรมาเนี่ยความตั้งเมความอะไรเนี่ยติด เราไปมดเลยนะ่ะค้างตรงนู้นของเะขยะขยะแยงเจ็บปวดคันนี่คือทุกขังกระทบปุ๊บเจ็บตาหูจมูกลิ้นปล่อยมาแทงจึ๊กจักจึ๊กจักโอ้ยเต็มไบาดแผลทุกขังอันเนี้ยแต่คว้างมาปุ๊บมันย่นหน่อยนึงนนดีดกับคืนเนี้ยอืมอันนี้จังอันเนี้ยอันนี้จังแต่ถ้าฟันแทงไม่เข้าละไม่หวั่นไหวนะนั่นอานาตา อันนันตาอยู่ตรงนั้นตรงที่ฟันแทงไม่เข้าแล้วแหละใจมันไม่มีหอ่อไม่มีเหี่ยวไม่มีหดเลยอ่ะมันตั้งมันแล้วนาะใจมันจำใส่แล้วจิตมันตื่นแล้วมันเป็นปรมัติแล้วสิ่งที่กระทบเป็นวัตถุใจกำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมี มันเป็นปัจจุบันตลอดกระทบพุบรู้ที่ปัจจุบันตลอดเวลานี่คือปรมัตา์ปรมัจา์คืออยู่กับปัจจุบันแล้วเห็นมันดับเกิดมาแล้วมันดับเกิดมาแล้วดับนั่นเขาเรียกว่าปรมาจารย์ปรมัจา์คือปัจจุบันที่สุดที่สุดของที่สุดนะชัดเจนนี่แหละคือที่ตั้งของการที่จะทําลายสังโยชน์ที่จะเป็นภาวะของความดับไม่เหลือเชือ้อ การดับไม่เหลือเชื้อก็จะเริ่มจากนี่เริ่มจากประมัดไปก็จะเริ่มเห็นแล้วตัวนี้มันมาเนาะมันเคยเกิดมันชอบเกิดฮะถ้าเราไม่ตอบสนองมันมันจะมาหรือมันไม่มานะไปดูดินี่คนเขามาขายเนี่ยขายไอติมผ่านหน้าวัดได้แดดได้แดไปไม่มีใครซื้อเนาะมันดูนะถ้าเราใช่ตามองมันมันรู้ันะดีนะเสร็จกูแล้วเนี่ยะ เด๋ยมัก็มาถามเอาเท่าไหร่เนี่ยแต่เราไม่เอาไม่เอาเราโยมเมื่อน่ะหลวงพ่อมีกี่องค์นะผมถวายไปห้าอันนะก็มีอยู่สิบองค์ทั้งนั้นแตมาก็ซื้ออีกห้าแนะ่มันจะมีฮะเขาดูก็ออกกิเลสมันยังมีถ้ากิเลสมีมันเอาละโดยเฉพาะสิ่งอะไรที่เราคิดว่าเราเป็นเรามีเนี่ยตัวเรามีจีวรเรามีอุปทานานี่เขากอาจีวรมาขายนะ โอ้ยกำลังอยากได้พอดีวันที่เขาก็ซื้อสีมาขายว่าอย่างยอมพอดีเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นใครชอบอะไรเขาก็มันจะมีตลาดอันนี้นจะวิ่งมาหาเราเ<ม>พราะเรามีอุปทานอยู่ข้างในงไงแต่ถ้ามันไม่มี <c oughs> ก็ง่ายวันนี้มีรถขปลาเขาว่าปลาลูก ป, ปลาวิ่งผ่านมา หลวงตากระทำทีเป็นมองโอ้รถจอดทันทีเลยนะจอดทันทีเลยหลวงตาจะเอาตัวไหนเอาเท่าไรยังไงโอ้ยมองเฉยๆมองเฉยๆทดสอบอารมณ์มองเฉยๆหลตาเอาไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะนัยนุ่งจอยั่วกูแล้วแล้เอยไม่ได้เอาแล้วซื้อตัวหนึ่งแถมตัวหนึ่งไม่เอาแล้ว หนึ่งตัวประช้อนหนึ่งตัวสองร้อยแถมหนึ่งตัวน้อยๆเราไม่รู้นะตัวร์หนึ่งแถมหนึ่งคืออะไรเห็นไหมเราก็จะมีเนี่ยมีความรู้สึกคือเขาดูหูดูตาดูจความสนใจมันมีเราเข้าไปในร้านได้ถ้าเราดูเราชอบไปอวๆเอาสักพักได้ตามอยู่นั่นแหละเหมือนกันเลยถ้ามันผ่านมาเราชอบมันเนี่ย มันก็จะมาชอบคิดเรื่องนี้ชอบดูเรื่องนี้ชอบเห็นเรื่องนี้มันก็จะมาลบกวนใจเราไปว่าปรุงขึ้นมาอป ว, ว่ายะเวทนาเนี่เหมือนพ่อครัวรูปเนี่เหมือนอาหารกระทบตาเนี่เหมือนอาหารรูปเป็นอาหารเวทนาเป็นเหมือนพ่อครัวปรุงอะไรทีนี้ปรุ ง, รงสัญญาเนี่ย คือเครื่องปรุงสัญญาจะเอาแบบไหนเนี่ยจะเอาแบบไหนก็เอาแบบนั้นมาเติมเฮ้ย ม, มีผงชูรสว่ะเฮ้มีน้ำตาลว่ะเนี่ยเอาเผ็ดไหมเอ า, าเอาข่าเอาขิงอะไรไม่เนี่ยมาเติมมันมีสูตรอยู่ในใจตัวสัญญานี่กระทบผู้โอ้รู้นะหวานเผ็ดมันเค็มช่วยกันปรุงกับตัวสังขานนี่แหละ อืเสร็จปุ๊บเป็นรูปออกมาเลยดีเนี่ยรูปเป็นตัวเป็นตนตัวต้นที่สําเร็จออกมาจากหมอนะ้อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นตัวตนแล้เป็นวิญญาณจะเริ่มล่องลอยเข้าสู่กระเพาะกูละทีเนี้ยเนนยมัจะเริ่มกินพอกินปุ๊บเป็นตัวตนจําไว้นลเนี่ยกลายเป็นตัวตนใหม่ละจำไว้ว่ารสชาติแบบนี้เนี่ย Oh. วันนั้นนะ่ะท่านทํากับข้าวเนื่ย mm hmm. วิตามิลาเนี่ยรสอร่อยจริงๆนะอย่างนี้กูซื้อตายเลยรสชาติดีมากเนะ่ซื้อรสชาติเนะี่ยซื้อรสชาติซื้อการบริการเดียวน้เราซื้อรบริการทางอะไรเครื่องอุปกรณความสุขข้างนอกนะแต่จริงๆก็คือบริการซื้อบริการของคนปรุงให้มันถูกกับตันหาเราเอง บริการทางตาหูจมูกลิ้นกายอืมสุดท้ายก็คือบริการในายใหญ่ใจใจเป็นตัวชอบอยู่ข้างในถ้าเฉยนะอา้าวก็ผ่านไปเพินมากับผ่านไปกระทบผัดสมาวกับผ่านไปดูผ่านดูผ่านจิตจะรู้สึกว่ามีความสุขนะกรรมการที่ไม่ไปยึดเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งของความสุขความทุกข์เนี่ย รู้สึมีความสุงมันเบาเห็นไหมปฏิบัติไปสองสามสี่หวันจะรู้สึกเริ่มเบาขึ้นมาละโอ้ยเบาแล้วครับเนี่ยเบาแล้วค่ะหนูเริ่มเบาเบาเบาเพราะไม่ได้แบกแล้วอันที่แบกอยู่ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไปวางลงเรื่ลยๆไอ้ที่ถูกเคยแบกตัดทิ้งไอ้ตัวที่จะมาเกาะติดใหม่มันเรียกร้องยังกระเปิดนะยกมือสาวมาขอไปด้วยขอไปด้วย อือ <h ums> อย่าไปหยอกล้อเล่นกับมันอีกเด้ทำเป็นพีไม่มองนะถ้าเราบอกว่าไปไม่ได้หรอกเต็มแล้วบอกเต็มแล้วก็อีกละตรงนั้นก็ยังว่างยังพอไปได้อยู่จะมีเหตุมีผลอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับมันต้องเฉยคน <h ums> เต็มไม่เต็มก็ช่างนะเฉยนี่เราก็เหมือนกันบรารมีเต็มแล้วใจมันเต็มแล้วเต็มอกเต็มใจแล้ว ใจเนี่ยไม่มีที่ว่างให้สําหรับเธอแล้วฉันมีแต่ความรู้สึกตัวใจเนี่ยตรงนั้นล่ะตรงนั้นก็ขันตินั่งตัวนี้ล่ะวิริยะนั่งตรงนั้นล่ ะ, ล ะ, ละสมาธินั่งแล้วตัวนี้ล่ะโอ้ยเบาของปัญญาตัวนี้อย่าเข้ามาเด้อนะไม่เข้ามานะตัวนี้ล่ะโอ้ยทำมาวิจวัยก่อนั่งตรงเนี้นะเห็นไหมตัวนี้ล่ะ โอ้ยตัวนี้พ่อใหญ่ว่างนั่งอันเนี้ยพ่อใหญ่ว่างนั่งนั่งรออยู่เนี้ยตรงโน้นละ่ะโอ้ยที่นั่งแม่นางสุญยตาเนี่ยมีแต่ที่มันนั่งส ว, ว่าโอ้ยตัณหาก็คงไม่ได้ไปแล้วนาะไปแล้วนะเริมมีเริมเรือเม่เที่ยวเครื่องบินรถไฟฟ้าเที่ยวสุดทนะ้ายแล้ว ไม่มาอีกแล้วนะไปแล้วไม่มานะไปไม่กลับนะโบกมือมมนได้เลยอ่ะสังขารุปเปฆายานรถไฟฟ้าไม่มาหาอีกนะเธอไปแล้วนะกลับไม่มาอีกที่อดตายแล้วคือมันวางได้เลยเรารู้สึ ก, กดีนะเออมันวางได้มันไม่เอาอีกแล้วเมื่อก่อนอะไรเมื่อก่อนก็คือช่างหัวมันน่ะ ช่างมันเถอะอเมื่อก่อนช่างมันเถอะคิดก็ช่างมันน่ะอย่ากก็ช่างมันจะไม่สนใจมันมันจะเอาโน่นเอานี่เลยช่างหัวมันอ่ะขยับมาอีกสักหน่อยเฮ้ยทุกข์ไปยุ่งกับมันจะทุกข์ทุกขหังนะขยับมาหน่อยอืออันนี้จังนะขยับมาเลยอนันตาอันนี้จังทุกขังอนันตาปรากฏเกิดขึ้น ก็คือตัวช่างหัวมันนั่นแหละอะอานิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ก็คือรู้สึกตัวนั่นแหละถ้ารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันได้บบมันจะกลายเป็นช่างหัวมันกลายเป็นอานิจจังเป็นอนัตตาอ่าพอเราเห็นว่เรารู้สึกตัวเรื่อยๆอยู่รู้สึกตัวก็จะเห็นว่าช่างมันมึงมากระช่างนี่กูมีส่วนกูอยู่กับความรู้สึกตัวเดี่ยวมันก็ดับเราก็เห็นมันมาแล้วมันก็ดับ ตัวง่วงตัวนี้แหละช่างมันได้ช่างมันได้มึงจะเข้ามาได้มันมีงานทํานั่งรู้สึกตัวได้เนี่ยความรู้สึกตัวมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นถึงมันก็ดับแหละมันดำอาหารการกินี่เราไปติไม่ชา บ, บ้านเขาเอามาเนี่ยบอกว่าจะเอากับข้าวชนิดนั้นมาทีเนี่งรู้จักไห ม, เอาม า, ไม เ, เอามาทําไมเนี่ยเอามาทีไรเอามาอดไม่ได้สักทีไปว่าให้เขาทําไมนะมากกว่าได้ไม่มาก็าได้เราก็เฉยกับเขาที่ อาหารน้อยอาหารมากกระช่างคือโลกนี้เขาจะเป็นยังไงก็ตามน ะ, นะเขาจะมีระบบรัฐสภาปฏิวัตริระบบมากซิสระบบการเมืองแบบไหนไ ป, ประชาธิปไตยแบบอเมริกาอังกฤษอินเดียช่างหัวมันนะหรือจะปะเด็จการแบบจีนเหรอหรือแบบอิหร่าน หรือแบบวิดีโอคาสโตยังไงก็ช่างเป็นเรื่องของเขาอืของเรามองใกล้ๆมองเข้ามาข้างในไม่วิ่งไปตามหูที่มันกระทบนั้นจมูกกระทบนั้นลิ้นกระทบนั้นมองมาอยู่ที่นี่มองอยู่ที่ข้างในนี้ที่ตากระทบรูปอา้าดูตาดูตาดูตาหูกระทบเสียงดูหูดูหูดูไปอีกที ลากเง่าของหูมาจากไหนหนอเราเห็นต้นแล้วต้นหูนี่ไม่สรงมกหกงากระพริบกลาวขึ้นมือหออ้อยกระพริบหน่อยขึ้นมือพันเอา้าวไม้หกงา่าหกกิ่งนี่อยู่ไหนหนอตามไปกับเป็นไปพราะไปเจออยู่ข้างในอ่ะเจอรากเง่าของมันตาหูจมูกลิ้นกายเฮ้ยมันไปอยู่ที่จิตตาหูจมูกรวมมาเป็นกายกายไปไหนกายไปอยู่ที่จิต จิตเป็นตัวเริ่มต้นเป็นหลักแก้วเป็นมเมล็ดพืชเป็นเยอะใยญ่ใหญทั้งหลายที่จะออกมาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นความคิดความปรุงแต่งเราเริ่มเห็นอุ้มันมาจากความคิดเนาะความคิดพวกนี้มันจะไหนมาจากความอยากความอยากมาจากความไหนความมันหลงผิดนะอาทําไมมันหลง่ะทําไมมันหลงอืมมันหลงคิดว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น รู้อยู่ว่านถูกแต่ว่ามันยังหลงไปอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะการย้ำอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีเหมือนนักมวยเนี่ยรู้อยู่นะว่าถ้าแข็งแรงซ้อมเยอะๆเนี่ยจะชนะคนนี้อยู่นะเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ปัญหามันคือมันไม่ซ้อมไงมันไม่ซ้อมก็กลับไปตรงไหนตรงที่ไปซ้อมก็นี่คือไม่เจริญสติปัฏฐานสี่และวทีนี้รู้กายรู้เวทนารู้ความคิดรู้อารมณ์ รูกายเอา้ารูกายดูกายถ้าหูจมูกดิ้นกายกระทบเข้ามานี้มาที่กายมาที่รูปรูปรูปรู ป, รปนา ม, มารูปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายนี้ให้มันชัดเจนนามารูปนึกออกนะคือเฝ้าดูมันชติอีสพักมันมาแล้วมันส่งไปโน่นไปที่รากมันได้คือ ใ, ใจเขาอเอ ถ้าตัดต้นไม้นีนตัดรากมันก็จบนี่ดีนี้เราไปตั ด, ตดใบมันบางคนไม่ได้เกี่ยวกับใบมันเลยซ้ำไปเนะี่ยไปตัดเถามันนู้นอะไปตัดเถามันไปตัดยอดมันเอ้ยต้นไม้นี่มันมาเกี่ยวพันต้นไม้กูว่าเคืออันนี้ตัดเถามันออกเอทีนี้มันแตกโอก้ยออกห้าเถาทีนี่เห็นหมมันแต่เกี่ยวพันไปหมดเลยอะเอาออกยากกว่าเดิมทีนี้ ตามลงไปดิตามตามตามตามตามตามลงไปว่ามันมาจากไหนโอ้มาจากความรู้สึกนะมันจากความรู้สึกมันจากความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเวลาตามตาไปที่มันทุกมีความรักเนี่ยรักข้างนอกมองอยู่ตรงนู้นตามเข้ามาตามเข้ามาลงไปข้างล่างงอนตามไปไปเห็นละอุปทานในขันธ์ห้ามันอยู่ตรงนั้นเน่ยมันอยู่ตรงไหนอ่นะ อืตรงที่มันพุดออกมานั่นแหละตอนนี้มันก็ไม่ออกมานะมันไม่มีตัวตนมันหลบอยู่นะมันมีวิชาหายตัวความคิดเมื่อกี้ไปไหนวะกูเห็นมึงออกมาอยู่พอกูจะเอาทิงกับมึงมึงหายไปแล้วความคิดเนี่ยไม่รู้มันไปไหนนะอือก็มาเฝ้าดูใหม่อะไทีเนี่ยให้มันเห็นใหม่เอาใหม่เฝ้าดูใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆ มันปลอมตัวหายไปยังไงกระามอีกซักมันจะมาอีกเดี๋ยวมันจะมาอีกเพราะมันมีอยู่ถ้าตัวตนมันยังมีอยู่มันไม่ดับเลดี๋ยวมันก็มาอีกละนะเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็มาอีกตัวง่วงก็เหมือนกันแต่มันมีจริงเลยเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกมันไปได้เดี๋ยวมันก็โผล่มาอยู่เนี่ยแต่เรต้องเห็นมันแล้วต้องเด็ดขาดกับมันที่จะตัดลงตาไปดูต้นไม้ปลูกไว้ริมสนําอ แมจีก็ไปปลูกถั่วใส่จะกินหลายอันคกินนะต้นไม้ก็จะเอาหญ้แฝกก็จะเอาหัวตะไครก็จะเอาเครือก็จะเอาถั่วก็จะเอาพันเกี่ยวหักมนันึงมันนืดไปหมดนะที่แรกโดนตาก็ตัดเจิดเอาฉพอยยอดมันออกเอาหรือบางทีก็หันหัวมันไปทางโน้นเด้อนะเครือมันนะ่ะมันไปทางโน้น ต้นมันและเครือเครือมันเครือยอดมั น, นมันก็ไปทางโน้นล่ะแต่ว่าเพลิไม่ได้อาทิตย์หนึ่งลงไปมันกอดแล้วเกี่ยวงัดยอดหักลงมาแล้วยิ่งแมงขามอนไปเกาะมันเนี่ยไปเกาะยอดมันไปกินหมดอ่ะตัวนี้ขึ้นเครับมันมีอยู่ทางเดียวนะที่จะทำยัง ไ, ไงึงคืออะไรตัดลากมันนะอืม ถ้าตัดรากก็จบแต่ถ้าไม่ตัดรากก็ไม่ได้ละอืมอันเวลาเราปลูกก็บาทีเอาไปปลูกในต้นไม้ต้นไม้มาขึ้นต้นไม้ไปใน้เราปลูกลูกปลู ก, ลกต้นไม้ถ้าต้นไม้มันน้อยก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าสติในน้อยแล้วเนี่ยจะมาหาความคิดความพรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นนทำโน่นทำนีม่มากมายอะไรโอ้ยมันจเจรินเติบโตไม่ได้หรอกเพราะว่าเครือมันเกี่ยว คือมันเกี่ยวธุระนาทีการงานมันผูกมันงดลงมันไม่มีวันงอหัวขึ้นมาได้เราต้องมาสังเกตแล้วจะมาถอนวัชพืชดอกถอนหญ้าออกล่ะหญ้าตัวนี้ถอนออกนะถ้าถอนได้เรารู้มันมันก็ออกได้มันก็จะมีความรู้สึกว่าอันไดก็ตามที่เราไม่เอากับมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเริ่มดับสนิทละอยากรู้สึกว่ายังสูบบุหรี่ไหมอยากสูบบุหรี่ไหม โอ้ยดับสนิทแล้วตายขีชาติไม่มีทางได้เจอกันนะเล่ายากิดเตนาตนัวนี้มันใหญ่ดับสนิทงมงายดับสนิทเ <c oughs> มื่อคืนไปงานสวดศพแต่เดินยุกรมอยู่ข้างนอกนะกับหลวงปู่สังไม่ได้ลบให้โยมเข้าไปสวดศพระ เสียดายเนาะอย่างว่านะมันก็ไม่ได้เป็นไปเกินที่เราคาดไว้อะคนเนี่ยคือรู้ตันทีว่าจิตมันไม่ฉลาดสร้างบรรยากาศแต่ความงมงายบทสวดบทอะไรก็อ้าวพระกรรมฐานอายุ ก, ก็เยอะพระมหาเทระมากมายบ ท, ทสวดคืออะไรชินบัญชรเนี่ย คาถายอดกันพระไตยปิฎกเนี่ยคาถาอันนั้นคาถาอันนี้ยะทิวต า, ายะทวตาเมตาพุนยสิธานิก็คือจะเกี่ยวพันอยู่กับเรื่องบาปเรื่องกรรมล่วงสมมติไม่สนใจเรื่องประมัทธัต จ, จะเอาสเสลยคือมันเป็นความรู้สึก เพื่อนเพื่อนผ่านที่ไม่ได้แตกต่างจากความเข้าใจของคารวาดที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่เกิดปัญญาไงต้อง ร, รู้ทีเดียวโอ้มันไม่เกิดปัญญาแล้วเนี่ยนะถ้ามีปัญญาเนื้อหาสาระมันต่างไปอันนี้เป็นบรรทันานเกือบจะทั่วประเทศเลยเนี่ยนะที่ท้องทองําวัดแบบนี้ส่วนม์นแบบนี้อะไประมาณนั้นและที่สำคัญคือ เขาจะไม่แปลเป็นนันข่านนะไม่แปลนะไม่แปลก็เลยไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นความขลังขึ้นมาล่ะทีนี้องค์ไหนสวดได้เยอะๆความจําดีๆจําเก่งๆนะนะ่แหละถือ <c oughs> เรานี้ว่าสุดยอดนะ่ะเอไปฮิตกันละ่ะฮอตกันสวดเรื่องพระปาติโมกเลยทีเนี้ส่วนมุนบทนั่นบทนี้นะ่ะสวดบทไหนวันที่ก็สวดบทพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์แปดทิศ พระพุทธเจ้าทั้งยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดพระองค์คือเรื่องวิปัสสิทธะพุทธวงศพุทธภูมิไปโน่นนะพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ทางโน่นพูะพทธเจ้อยู่ทางโน่นทางนี้ี่ไปไปไกลมันไม่ได้เกิดความเข้าใจอ่ะแล้วก็ไม่กล้าเอามาสแสดงเอามาบอกว่ากล่าวมาสอนว่าในความหมายจริงๆคืคออย่างนี้นอแบดนั้นไปนี้ไม่ คือปล่อให้งมงายเว้นเรื่อยแต่ก่อนเราไม่รู้นะว่าเป็นแบบนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหานี่ยอยู่ด้วยความงมงายไปก่อนงมงายขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนนวดแล้วยี่สิบสามสิบปัญหาจงไปเร่งความเพียนจะเริ่มเห็นอะไรเป็นอะไรบ้างในเบื้องต้น้มีแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมเตรียมไม่ก่อนปะรองปะลมไม่ก่อนไปก่อนก็แค่เรามาเฝ้าดูนี่แหละอืมมาเฝ้าดู แล้วทําให้อารมณ์มันเป็นปรมาสสะเกิดดับที่เป็นปัจจุบันเนี่ยตั้งมันดีนี่แหละนําไปสู่การเกิดปัญญาแล้วมันจะกลายเป็นว่าได้หลายอันที่เกิดขึ้นมาฮช่างมันเถอะไมวกับมันนะ่ะมันรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายเหนื่อยหน่ายกับความปรุงแต่งเหนื่อยหน่ายกับสร้างการ เหนื่อยหนต้องรับผิดชอบความคิดอารมณ์มันนี้ต้องไหลเข้าไปในเนี่ยเป็นสังขารูปเปียขายานเป็นนิพพิธานิพพิธาความเหนื่อยหนวิราทะนิพินทางวิราาตัติเมื่อเบื่อหน่ายเมื่อเหนื่อยหน่ายย่อมคลายกำหนดวิราคาวิมุตติเมื่อสิ้นกำหนดจิตก็หลุดพ้น ม, ม, มิมุมตตส밍มีมุตตมีติญาณังโอทิเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจะเกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วสภาวะธรรมก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นนะแต่ถ้ามันไม่เหนื่อยหนายนะมันไม่เหนื่อยหนายเมื่อ ต, ตั้งแต่มันมาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตากลับมาเริ่มไม่คิดกลับมาละไม่อยากคิดไม่อยากคิด คิดทีไรเรเป็นทุกข์คิดอะไรเรปรุงแต่งคิดเราเข้าไปในอารมณ์ไม่เอาละเกิดนิพพิทานิพพิธาคึอไม่เอาไม่เหนื่อยไน่เหนื่อยเหนื่อยกับการที่ต้องวิ่งตามสังขารเนี่ยวันรุ่งถอยออกมาเถอจริงๆก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละจริงๆสภาว่าของไตรลักษณ์เพียงแต่ว่าไตรลักษณ์อันนี้มันละเอียดขึ้นเท่านั้นเองมันจะเริ่มละเอียดลุ่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเขาดึงบอกว่าให้รู้ตัวชัดๆนะ ฝึกสตินี่รู้ตัวชัดคําว่ารู้ตัวชัดเนี่ยเป็นถึงปัญญาเป็นทูปัญญารู้อารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาเห็นมันชัดชัดที่สุดก็คือสเพ ธ, ธรรมานาตาว่างมันชัดว่างเข้าใจอ่ะรู้จักนะนายคนนี้ปลอมมาเนี่ยรู้จักมันจะแต่งตัวสวยตัวยังไงก็ตามนะรูปร่างอะไรก็รู้ว่าคือสมมุตเิเฉยๆนะรู้ว่าคือไม่ใช่ของจริง รู้คือทำอารมณ์รู้อารมณ์ถ้ารู้อย่างนี้พบมันก็ไม่น่าดานที่จะเข้ามาไม่น่าดานที่จะปรุงแต่งกับมาหาเราเพราะเราเห็นแล้วในทสุดมันก็เริ่มหดตัวหายตัวเข้าหายตัวเข้าหายตัวเข้ามันก็ดับลงดับลงดับลงลงลงดับสนิทนะให้ถามว่าปฏิบัติทำมาเนี่ยเราหลายเดือนหลายปีนี่ความง่วงนี่ดับสนิทหรือย่างเอาทีนี้ ความคิดติดดับสนิทหรือยังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันต้องควบคุมมันได้ดิถ้าควบคุมมันไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เก็บอารมณ์รอบนี้กูออกมากูดับไม่ได้รอบนอบี้ดับไม่ได้ดับไม่ได้สนินทสัทีว่าจะไปดับกี่เด็ดในเนี่ยนะจะไปรอฟุกเหรออมันไม่มีฟุกนะมันต้องเฝ้าดูนะต้องเห็นมันนะ่ะถ้าเฝ้าดูรู้เห็น แล้วธรรมะก็จะเป็นมีขึ้นมาโดยธรรมชาติภาวะแห่งความดับกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆมันจะเริ่มสนิทขึ้นสนิทขึ้นมันดับสนิทสนิทลงสีลงงิลงน่ยจางลงจางลงเบาลงเบาลงสบายแล้วเหลือสบายแล้วทีเนี้ยถ้ามันดับแต่มันไม่สนิทเนี่ยมันก็อยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ยังดับอยู่แต่มันไม่สนิทมันยังรุบขึ้นมาอยู่อันนี้เราให้มันสนิท สูสบายแล้วทีนี้เอาสบายไว้วางใจได้ไว้วางใจได้อันไม่ดับสนิทจะไม่กลมาวว่ามันจะเป็นทุกข์มากมายนะทุกขถังนี่มันไม่ทุกข์แล้วล่ะอันนิจจังมันก็ไม่ค่อยทำงานไปนันแหละมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับอยู่แต่อนัตตาเนี่ยยังไม่ชัดนะมันยังสวยอันนิจจังอยู่งั้นทำให้มันชัดเมื่อทุกอย่างชัดเจนสุดท้าย อนิพพานน่แปลว่าเขาเรีว่าดับสนิทนิโรธแปลว่าดับสนิทมันดับแล้วดับสนิท แ, แล้วมันไม่มีละเพราะเราดับมาจากความคิดความปรุงแต่งเละดับสนิทแหายไปมันกเเ็เหลือแต่ใจเหลือแต่ใจนะใจนี่ถามว่าใจเราไหมไม่ใช่อะมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้บังคับมัน <c oughs> เราไม่ได้บังครับมันเราก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นเรานื่องจากเราต้องไม่ทุกข์นะไม่ใช่มันไม่ทุกข์โดยตัวของมันเองมันอยู่ในตัวของมันเองมันไม่ปรุงแต่งในตัวของมันเองทั้นมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างคนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่มันไม่ใช่กูคือธรรมชาตินะทุกอย่างคือธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่ทุกข์นะเป็นภาวะเป็นแบบนั้นนั้นศึกษาเรียนรู้ เฝ้าปฏิบัติขัดเกล้าจิตใจไม่เห็นแก่หลับแก่นอนแก่กินแก่ดื่มแก่ความสุขเล็กๆในน้อยนะไม่ใช่โอ้ยเหนื่อยหน่ายตัวคําสอนขีดเหียดทำตามอืมเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่การอยู่การกินเห็นแก่การหลับการนอนโอ้ยชีวิตนี่ตามไม่ทันนะมันจะดับไม่ได้นะ การดับดับสองแบบนะอืดับสองแบบคือดับตอนมีชีวิตอยู่นี่ดับกิเลสดับกิเลสได้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นแจ้งแล้วกิเลสมันก็ดับอืประเภทหนึ่งดับพร้อมกับการจะดับจิตเขาเรียกว่าอะไรนะนิพพานแต่ยังมีเบญจขันเถระอันที่สองนิพพานพร้อมกับการดับเบญจขัน เอาไี้ผ่านแล้วพร้อมกับการดับเบนยาขันเบนขันคือดับสนิทถึงที่สุดบางคนมรรลุโสดาบันนะแต่ยังไปดับสนิท ต, ตอนตอนวินาทีที่จะดับจิตดึงกลับคืนมาหรือว่าถอยออกจากความเป็นตัวตนไม่ห่วงไม่ห่วงวัดห่วงว่าห่วงพี่ห่วงน้องไม่ห่วงร่างกายสังขารนี้แวละ่ะอืม กลับมาคุณตกเป็นธาตุมันอีกเหมือนเดิมเหนื่อยเหลือเกินวางวางแล้วมันจะดับสนิทปิ้งเข้าไปนิพพานทันทีนะนะแค่เห็นความคิดเนี่ยแล้วฝึกกับอยู่ตัวว่างๆตัวปัจจุบันบ่อยๆว่างๆที่เต็มไปด้วยการปล่อยวางนะะถ้านงว่างอย่างเงี้ยเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยปอนมันจะตายเนี่ยสามารถปล่อยวางว่า ง, างแล้วนิพพานทันทีอ่ นิพพานอันะนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นไม่ต้องไปใ่เต้าอะไรเลยแต่ว่ามันเสียดายตรงที่ว่านิพพานแล้วก็มั่วในในปัญหานะ uh huh. โอ้ยถ้าเสียดายอยู่ก็ไม่ได้นิพพานละเนาะฉันใดก็ดีอ่ะเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยท่านอยากให้นิพพานตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนิพพานตอนนี้นะ่ะอ uh ืม huh. แต่ที่ให้บลอดภัยก็ เ, เอาเอาระดับอนาคามีเนาะเขาว่าอนาคามีดับทุกแล้วทุกอะไรที่เป็นคารวะนะความโลภความโกรธความหลงไม่ทุกแล้วนะสังโยชน์ที่หยาบหยาบเอาดับได้แล้วนะเหลือแต่อะไรล่ะเหลือแต่รูปรูปปราคาอารูปเหลือแต่อารูปปราคะมานะอวิชาวันเนี่ย ติดความสงบความสบายความเย็นแล้วไม่อยากเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยไม่อยากพูดว่ามันโง่นะปัญหาแค่นี้นะติดแค่นี้นะมันสอนยากป่ะอันนี้มันเป็นมานะนะนะคนนี้กําลังจะบรรลุธรรมเลยถ้ามองอย่างคนแบบนี้ลุงพ่อไม่สอนเอ้ยมันไม่ฉลาดแบบมนุษย์เนี่ยเนีย่ยนี่ก็ทุกแล้วนะนี่ก็เป็นทุกข์ที่ละเอียดมันติด ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยอาหารวันนี้ไม่อร่อยเนาะยึกติดนะนะแค่นั้นเองนะมันไม่ได้ขึ้นมาตลอดนะคิดมันเป็นเสี้ยวแวบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ดับไปเองอ่ะไม่ได้หมายว่ามันมีหมดวันหมดปีนะมันก็หายไปเหมือนเราชังใครสักคนเนี่ยชังจริงจริงอ่ะแต่สักพักก็หายไปมันไม่มีตลอดนะอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์กามอย่างเงี้ยมันก็มีพุทธขึ้นมาเสร็พวกมันก็หายไปนะ มันก็ไม่ได้มีตลอดนะแต่ที่มันมีอยู่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีอนุสัยอยู่ข้างในอืมันไม่ดับสนิทตัวเมื่อมีเหตุปัจจัยเนี่มันจะแวบขึ้นมาเนี่ยทำไงจึงจะมีสติตอนมันแวบขึ้นมานั่นแหละกระทบกันเนี่ยสปาร์กเห็นแจ้งตาเดียทําไงอันนึงอันที่สองคือปล่อยวางได้ตาเดีมันแวบขึ้นมาก็เห็นปล่อยวางได้ตาเดียจะได้ อันนี้พอมันขึ้นมาปกติเดินทั้งวันก็ไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอกลับไปบ้านมันแวบขึ้นมาเอาเอาไม่อยู่ล้วกระเทือนไปหมดเลยอ่สติมันไม่พอไงอืพอมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยตัวที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่แต่ตัวที่กระทบต่างต า, งางหูจมูกลิน้นกายเนี่ยปกติชีวิตประจำวันดังอายตนะเนี่ยพอดับได้แต่ตัวที่ฟุ้งขึ้นมาเอาพอ่อแม่พี่น้องคนรักหายอะไรเนี่นะร่างกายเจ็บไข้ เหตุผลมันจริงจังะ ด, ดีเลยเวีนไว้แต่ว่ามันจะเห็นมันชัดจริงๆเห็นการปรุงการแต่งที่ผุดขึ้นผุดเข้าผุดออกเห็นวันชัดดับให้มันสนิทซะนิโรธแปลว่าดับสนิทโดยไม่เหลือเชื่อของตัณหานั้นนั่นเองอถ้าดับ วันนี้ดับได้หลายตัวตัวนั้นวันนี้ก็ดับได้แต่ปรากฏว่าการดับได้เนี่ยมันยังมีเชื้อของมันนเหมือนคนบางคนว่าเฮ้ยผีนี่ไม่กลัวแล้วนะกลางวันนี่ไม่กลัวแต่พอกลางคืนแล้วทําไมกลัวเอานอนปกติก็ธรรมดานะอยู่ๆมีคนตายทําไมเฮ้ยมันมาอีกแล้วเว้ยมันคนตายเห็นปลากระโดดเอาเอีกแล้วมันปุ่งเห็นไหมน่ะ อันที่มันนอนอยู่ในก้นเน่ะมันมาอีกแล้วมันนอนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของจิตใจเรามันขึ้นมาจิตเราก็ติดมันไม่ดับสนิทอืมเราก็มาทำให้มันดับทีนี้ความโลภความโกรธพวกนี้มันเกิดยังไงดับได้นั่นจึงต้องกลับมาตรงที่มการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวชัดๆนี่แหละรู้ตัวอยู่สั่งเสมอตั้งมันเป็นปรมัติ์ กระทบปุ๊บดับปุ๊บกบปุ๊บดับปุ๊บมีน้ำซ้ำทำสติสมัยเหมือนไม้ตีแมงวันน่ะอือเอามาแล้วคุณตีมันนี่ยตัว ม, มันตีแปะเอาเซตกิเลสระดับมแมลงวันนะตีได้อันนี้กิเลสระดับแรกตัวมันใหญ่เขาเดียวเล้ยี่ยี่แลกเ้ยยี่ยี่แลทมึงใน้นแลทแล้วเกิดนําตัวมันใหญ่งไงนะเดี๋ยวนี้มี หมอลำซิ่งกันหน้าหนึ่งอ ะ, ะชื่ออะไรอ ะ, ะแลดบันเทิงศินป์แลดเหลือเกินอะหมอลำซิ่งนะเอาทาไมลูกตาลู้ขี่รถผ่านทางเขาขึ้นไป้ายไว้เขาขึ้นไป้ายไว้เนึงว่าพระมาเทศที่ไหนได้มองมื อ, อเขาทำผ้าเฮี้ยนๆ ห, หน่อย เฮี้ยนนี่ไม่จะหมายความเฮี้ยมนะไม่ใช่ผีมันเฮี้ยนไม่ใช่นั่นนะเฮี้ยนนี่หมายควาขาดเด้มันก็ล่องกระเร่งเนีเฮี้ยนเนี่ยออีเฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนมีเขาเรียกว่ามีสีเฮี้ยนนะเฮี้ยนเฮี้ยนมันไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันแหละเข้ามาโอ้จัดการและวปุ๊บเลยบางคนไม่ว่าติอีแลดเลยนะ ระดับช้างนะระดับช้างกิเลสระดับอะไรนะก็ระดับโจนห้าร้อยอเนี้ยนะกิเลสมากมายกิเลสพันห้าตันห้าร้อยแปดโอ้ยวุ่นวายดังนั้นใส่ใจที่จะระลึกรู้ใส่ใจที่จะเฝ้าดูไฟใจที่จะเห็นการเกิดเห็นการดับดับกับเกิดนี้อะไรเห็นง่ายกว่ากันนะถ้ามาเฝ้าดู ส่วนเมื่เห็นมันดับง่ายกว่ามันเกิดนี่มันก็เห็นถ้าเห็นมันเกิดได้มันก็ดับเองโดยธรรมชาติถ้าเห็นมันเกิดได้มันดับเองโดยธรรมชาตินะแต่นี้มันไม่เห็นเนี่ยไม่รู้เกิดเกิดตั้งนานแล้วเนะเกิดตั้งนานแล้วตามไหลทํามันไปลถมานี่ไม่รู้มันมาตอนไหนรู้แต่ตอนมันวิ่งเลยหน้าไปแล้วก็ได้มองสังเกตตามมันไปครอันนี้มันไม่สามารถที่จะดับสนิทได้ ไม่สามารถที่จะกลายเป็นนิโรธได้ไม่สามารถที่เป็นปัญญาได้ไม่ใช่ไหไม่สามารถที่จะไม่ทุกข์มันดับได้เพราะทุกข์มันมีเชื้อวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตัวรู้เราต้องตั้งมันตั้งมันอยู่ทั้งว่าอะไรวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ตัวคิดตักพุงเแี่ยผ่านมาดับผ่านมาดับตัวนี้ผ่านมาดับ บรรยากาศร้อนผ่านมาดับนด้นวยากาศหนาวผ่านมาดับเออถ้าดับได้อยู่บ่อยๆอย่างนี้ก็สบายละ่ะชื่อว่ามีความตั้งมัน่นแห่งใจการดับสนิทก็พึงหวังได้อย่างแน่นอนอย่างที่ว่านะจะดับแบบไหนก็ช่างมันเถอะทั้งที่จะดับพร้อมกับการตายดับพร้อมกับเบนจะขันก็ได้ อุปทิเสสนิพานท่านอนุปาทิเสสนิพานหรือจะดับก่อนดับเบนจะขันก็ได้อืแต่ประเภทหลังเนี่ยคือคำสอนวันนี้ยิ่งปฏิบัติไปยิ่งทราบซึงนะโอ้ไปนี้เนาะแล้วก็ฟังดูโอ้อันนี้แปลผิดเนาะแปลผิดก็ดีแล้วนะเหมือนหลวงพ่อเทียนว่านี่ยแหละอันที่แปลผิดนั่นก็ดีแล้วไม่ได้คิดจะทําระดับพุทธวจนะขึ้นมาใหม่นะอ กลัวเขาไล่ออกมันไม่มีหัวสมองระดับนั้นเละอันไหนดีกรู้เออมันดีอันนี้ก็รู้มันดีอันนี้ไม่ดีก็รู้มันไม่ดีแต่ว่าอันของไม่ดีเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีนะขี้ควายเนี่ยมีประโยชน์ไหมขี้หัวมีพองคํามีประโยชน์ไ ม, ม, ม, ไ ม, ม, ม, ไม่มีนะมีคุณเลือกเอาเธอแปดหมื่นพันสามสี่พันพัทธมณฑลเนี่ย เจดิตวงเราจะคืออะไรก็หยิบเอาอันนั้นเถอะมาปฏิบัติทำเราอาจจะปฏิบัติทำตามพระปฏิมโมกข์ได้เป็นห้าร้อยหก้อยข้อเราก็ได้เราละเว้นได้มากมายละก็ได้หรือถ้าเราจะรักษาจะยิงรักษาข้อเดียวรักษาศีลข้อเดียวคือรักษาใจไม่ให้มันปรุงแต่งพอแล้วรักษาอันเดียวนี้รักษาจิตเนี่ยไม่ให้มันปรุงแต่งถ้ารักษาได้นี่ก็บรรลุธรรมละนเนี่ยได้ คือในแปดหมื่นสี่พันพัทธมฆันก็ทีอะไรก็ดีมากมายเนี่ยหยิบเฉพาะอันที่มันเป็นยาเอาเฉพาะที่มันเป็นยาเอาันที่มันเหมาะกับโรคเราออันหนึ่งเป็นความรู้เฉยๆก็เป็นความรู้อันหนึ่งไปทรมะลึกซึ้งเป็นธรรมะนั่นแต่เรานี่ต้องการตอนนี้ต้องการศรัทธาวิทยาศาสตเอาพอมาประคองให้จิตมันตั้งมั่น ก็เกิดวิปัสนาญาณเฉยๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมากมายหลากหลายแต่บางคนออกมาทั้งพระไตรปิฎกแล้วอ่านจบหลายรอบแล้วก็ยังไม่ฮึ้งเหวมนะยังไปไม่ได้อยู่ก็มีนะแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ ย, ยังไม่พอนะบางคนเนี่ยแต่บางคนน้อยไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกไม่อ่านอะไรเดินไปหาครูบาอาจารย์ท่านพอเดินไปหาท่านท่านพูดได้สักคำเอ้าเกศและสว่างอ่านเห็นไหมไม่มีอะไรมากมายมีพระอหนึ่งเดินไปหา อาจารย์ลงตาเห็นนะหลวงพ่อท่านเดินโยกรมสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับท่านท่านไม่โกหนวดนท่านไม่โกหนวดนะนวดยาคนก็ไปถามตอนนั้นท่านอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะไปถามว่าหลวงพ่อทําไมไม่โกหนวดท่านถามกลับขึ้นมาว่า โกนทำไมไม่โกนทำไมโกนทำไมในยังตอบได้อยู่ไม่โกนทำไมทีจริงเราก็หมันไส้ท่านเหมือนกันนะแต่ไม่กล้าว่าก็คือรอฟังคนถามแล้วก็จะตอบแล้วจะฟังอย่างสะใจเหมือนกันนะแจะพอถ้าต่อโกนทำไมไม่โกนทำไมหืมจ hmm. ิตติดเลยไปไม่ได้เลยนะกำลังจะชังเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้แล้วจะรักเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ละ กลับมาหาคำตอบดีกว่าม่้กูนทำไมไม่กูนทำไม ม, มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะจมตอบได้ไหมท่านสอนเราเราคว น, นึกย้อนกลับมาหาตัวเองอหมายความว่าไงนาอไปเดินจู่กรมแต่ก่อนสมัยน้นก็นมานั่งสมาธิก็ น, นั่งสมาธินะ นั่งสมัยที่พิจารณากวรทําไมไม่ควรทําไมสักพักเ อ, อ้ยยุงกิน่ะยุงกินตกปับ๊บเ อ, อ้ยตกทําไมไม่ตกทําไมทําไมจึงตกเนี่ยตกทําไมไม่ตกแล้วทําไมนีมันจะเริ่มคลายออกสักพักโอ้เข้าใจแต่ดีนะนะลงจากเบาะนั่งกราบลงกับพื้นงามๆโอ้ความหมายคือแบบนี้น้อย อเข้าใจนะแต่ก็โกรธโกนเหมือนเดิมเราก็โกนไม่โกนอลในความหมายของท่านว่าขอให้คนสักคนเข้าใจความหมายของคําว่าโกนก็ได้ไม่โกนก็ได้โกนทําไมไม่โกนทําไมแค่นี้ก็ค้มกับคําว่าโกนหรือไม่โกนนี้แล้วล่ะอืม เขาทำเพื่อสอนคนน้องดีสอนคนที่ยึดติดวินัยมากมากติดระบบระเบียบมากมากให้มันทุกโมงมากมาซึ่งได้ผลก็ได้ไม่ได้ผลก็ได้นะคนระดับนั้นไม่มีความหวังไม่มีความหวังกับสิ่งเหล่านี้ว่าจะหวังอะไรอะ่ะไม่จะทําตามทํา มันดีกด็ดีไม่ดีก็ไม่ดีเท่านั้นให้เราทั้งหลายก็ตามนะอะไรก็ตามนะวางวางวางวางวางวางแล้วมันก็จะว่างนะ่ะถ้าวางเป็นมันจะว่างถ้าว่างไม่เป็นมันก็ไม่ว่างนะมันไม่ว่างพอมันไม่ว่างปุบ๊บสิ่งที่กระทบผัสสะถ้ากลายเป็นตัวตนโดยธรรมชาติที่เราคิดว่าถ้าเป็นน้ําใสเนี่ยอะไรตกลงมามันก็เห็นนะ แต่ถ้าน้ำขุนเนี่ยอะไรตกลงมาไม่เห็นไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะมันขุนเนี่ยใจใสกับใจขุนไม่เหมือนกันเหมือนของไปตกอยู่ในกลางป่าเนี่ยมันไม่มีเสียงดังนะแต่ถ้าคว้างมาในกลางสลากลางบ้านมันจะดังเหมือนกันน่ะใจที่มันว่องว่าเนี่ยอะไรตกลงมันจะดังนะมันจะสั่นสะเทือนได้รุนแรงมากเห็นไหมเวลาเรามีสมาธินี่ ค่อยๆวางขนตาลงนะเพราะขนตามันกระทบก่อนเนี่ยดังมากเกินอเสียงที่ดังที่สุดคื อ, คอเสียงแห่งความว่างนั่นแหละมันจะดังมากเวลาเดินอยู่กลมหมุนตัวกับเตลที่โอ้ยกระดูกครอบแกวกรแกวเหมือนจะหลุดออกไปตัวนะนะสมาธิเนี่ยถ้ามันเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วรู้สึกตัวต่อเนื่องไปสักพักระยะสักวันสักสองส มันจะเกิดวิปัสนาทตะดีนะเกิดวิปัสนาญาณเห็นแจ้งกันตนะดีถ้าไม่ติดสงบนะแต่ถ้าติดสงบแล้วมันดับสมาธินี่ดับไปพวกก็กลับขึ้นมันก็เป็นเหมือนเดิมแนละ้วปัญญามไม่เกิดนั้นอย่างไรก็ตามนะพยายามระลึกอยู่เสมอนะทุกเกิดแบบไหนมันก็ดับไปแบบนั้นแหละเกิดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นไม่มีเกิดก็ไม่มีอะไรดับอืมทีนี้ความดับ อาจจะดับที่สนิทหรือไม่สนิทขึ้นอยู่กับการเห็นธรรมชาติอันนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างเหตุปัจจัยสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำมันมีมากพุ่งมันกระดับไปโดยธรรมชาติ <c oughs> สติสมาธิมันมีภาคก็เหมือนกับสว่างอะไรจุดไฟสว่างขึ้นเจ๊ะๆมาเข้ามาเ ข, ข, ข้ามาเอา้าสัตว์ ร, ร้ายมันก็หนีไปเองโดยธรรมชาติมัน มันกลัวความสว่างผีเปรตอสุรกายอย่ากับว่าเข้าประดับดินเนี่เปรตมันไม่เข้านะเปรตมันไม่เข้านะถ้าเป็นกลางวันนะถ้าก็คืนมันถึงจะเข้าหมายของมายังไงรู้ไหมอันนั่นแหละนะเอามุท น, นา